พระมหาโมคขลานะเปล่งสีหานาถสิเจ็ดครั้งนั้นท่านพระมหาโมกขลานะเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับครั้นถึงแล้วได้ถวายบังคมพระผู้มีพระภาคแล้วนั่งลงณที่สมควรท่านพระมหาโมคขลณนะผู้นั่งอยู่ณที่สมควรแล้วได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าเวลานี้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 ข้าพระพุทธเจ้าจะพลิกแผ่นดินเพื่อให้ปิกสู่ทั้งหลายได้ฉันม้วนดินในแผ่นดินมีสัตว์อาศัยอยู่เธอจะทําอย่างไรกับสัตว์เหล่านั้นโมคลานะข้าพระพุทธเจ้าจากเนรมิตฝ่ามือข้างหนึ่งให้เป็นเช่นแผ่นดินใหญ่ย้ายเหล่าสัตว์ที่อาศัยแผ่นดินอยู่ไปรวมกันที่ฝ่ามือนั้นและใช้มืออีกข้างหนึ่งพลิกแผ่นดินพระพุทธเจ้าข้าอย่าเลยโมคลานะ เธออย่าพอใจที่จะพลิกแผ่นดินเลยหมูสัตว์จะเข้าใจผิดได้ขอประธานพระวโรกาสให้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปบิณฑบาตในอุตรกุรุทวีปเถิดพระพุทธเจ้าข่าเธอจะทำอย่างไรกับภิกษุที่ไม่มีริดข้าพระพุทธเจ้าจะทำให้ภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปได้พระพุทธเจ้าข่าอย่าเลยโมฆลลานะเธออย่าพอใจ การที่จะพาภิกษุสงฆ์ทุกรูปไปบิณฑบาต ท, ที่อุตรกุรุทวีปเลย